ก่อนหลานชายออกจากบ้านยายถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าไอ้หนูเอ็งสวดกรณียเมตตาสูตรได้หรื อ, อยังได้ครับแต่ไม่ครบสูตรสักหนึ่งในห้าเห็นจะได้หนุ่มน้อยตอบตามจริงเคยได้ยินยายสวดอยู่ทุกวันหากก็ไม่ได้สนใจจดจำ ยายก็ลืมกวดขันเองในเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นระหว่างที่นั่งไปในเรือทิดพองจ่วยสอนลูกด้วยนะคนเป็นแม่ยายบอกลูกเขยตกลงครับแม่ผมจะจัดการจดให้เขาด้วยเรื่องนี้แม่ไม่ต้องห่วงบิดาหนุ่มเจริญรับคำหนักแน่น เอ็งต้องจำให้ได้นะไอ้หนูสูตรนี้สำคัญมากเชียวแหละสำคัญยังไงครับยายลานชายถามเพราะสามารถปกป้องคุ้มครองเอง็งจากพยันตรายต่างๆได้นี่ถ้ามีเวลา ยายจะเล่าถึงความเป็นมาของสูตรนี้ให้ฟังแต่จนใจที่ทำไม่ได้ประเดี๋ยวเองจะพลาดเรือแดงเสียเปล่าๆ เ, เอาอย่างนี้ก็แล้วกันทิดพองจ่วยเล่าตอนที่อยู่ในเรือนะคนเป็นลูกเคยถูกสั่งงานอีกครับสามีแม่จวนรับคำ ยายโปรโดเคยคนนี้มากกว่าคนอื่นๆเพราะนอกจากเขาจะตระหนีถี่เหนียวเหมือนยายแล้วยังเป็นคนธรรมะธรรมโมเหมือนกันอีกผมจำได้ขึ้นใจก็ตอนที่ว่าเมตันจะสพาโลกสมิงมานะสภาวะเยอปริมานังนะครับหลานชายพูดขึ้นตรงนี้แหละ เป็นหัวใจของสูตรเลยเชียวคนที่มันเจริญเมตตาย่อมปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อใช้เป็นคาถากันผีก็ได้คนมีเมตตานั้นแม้แต่ผีก็ยังรักแล้วหมารักไม่ครับยาย คนถามนิกไปถึงเจ้าโทนรักสิถ้าผีรักหมามันก็รักด้วยถ้าเช่นนั้นผมจะต้องสวดให้ได้ไอ้โทนมันจะได้ญาติดีกับผมหนุ่มน้อยพูดอย่างมุ่งมั่นกลับจากบางกอกเขาตั้งใจจะไปผูกมิตรกับเจ้าโทนหากว่าไม่ตายจากกันไปเสียก่อนล่่าลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทิดพองก็พาลูกชายออกจากบ้านหนุ่มจำรัดพาน้องชายสองคนมาช่วยแบกของไปยังท่าเรือแดงยายกับแม่จวนเดินมาส่งถึงประตูรั้วบ้านแล้วกลับขึ้นเรือนไปยืนมองเขาอยู่บนนอกชานหนุ่มน้อยรู้สึกอาลัยอวร์คนอายุย่าง85ด้ด้วยว่าเคยรับใช้ใกล้ชิดกันมานานความรักความผูกพันที่มีต่อผู้เป็นยาย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 แล้วเร่งฝีเท้าให้ทันคนข้างหน้าบ่ายโมงครึ่งทิดพองก็นำเด็กรุ่นหนุ่มทั้งสี่คนมาถึงท่าเรือแดงหนุ่มกันเชียงรออยู่ก่อนแล้วพร้อมบิดามานดานางบัวไขยกมือไหว้ทิดพองพร้อมออกปากฝากฝังทิส์ขาฝากไอ้หนูมันด้วยนะ นึกว่าช่วยสงเคราะห์คนยากคนจนด้วยก็แล้วกันตาของหล่อนแดงมีน้ําตาซึมออกมาเรื่องนั้นเองไม่ต้องห่วงหรอกบัวไข่ตราบใดที่เขาอยู่ในความดูแลของข้าข้าก็จะทําให้เขาปลอดภัยเท่ากับตัวข้าและลูกข้าแต่เมื่อหมดภาระนั้นแล้วข้าก็คงดูแลให้ไม่ได้ถึงไอ้หนูของข้ามันก็ต้องดูแลตัวเอง ทิดพองคิดรอบครอบแล้วจึงตกปากรับคำขะาก็สังโซนมันทุกสิ่งทุกอย่างหากมันไม่นำพาก็ช่วยอะไรไม่ได้นึกเสียว่าเป็นกรรมของมันนายลานพูดปลงๆออกสังหอนใจว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกเมื่อต้องลำเลียงสัมภาระขึ้นเรือทิดพองก็คิดตามประษาคนตรนีว่าหากนำของไปหมด ก็ต้องเสียค่าระวังที่นี่และค่ารถสามล้อที่บางกอกซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็คงมากกว่าราคาสิ่งของในชฉลอมจึงปันให้หนุ่มจำรัดและน้องๆไปกินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งให้บิดามัรดาของนายกันเทียงพร้อมทั้งกำชับไม่ให้บอกแม่ยายตนที่บางกอกมีของกินอุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากเหมือนแถวบ้านเราหรอก บิดานหนุ่มเจริญบอกในลานและนางบัวไข่บ้านเราก็ไม่อดยากนาทิตในน้ามีปลาในนามีข้าวคนขี้เกียจเท่านั้นถึงจะอดยากนางบัวไข่แยง้งก็หมายถึงว่าคนบางกอกเขาไม่ได้มีแต่ข้าวกับปลาเท่านั้นแต่ยังมีพวกผักผลไม้นานาชนิดโดยเฉพาะทางฝั่งธนบุรีที่ไอ้นุกของข้าจะไปอยู่ยิ่งมีของกินมากมายอ่า เจ้าแกละจะไปอยู่จังหวัดทนบุรีหรอกหรือข้า น, นึกว่ามันจะไปอยู่บางกอกเหมือนเอกโกของข้าในลานพูดขึ้นเขาคิดว่าบางกอกย่อมเจริญกว่าทางฝั่งทนบุรีแน่นอนมันก็ไม่ไกลกันหรอกทิดลานคนฝั่งทนเขาอย่างมาเรียนหนังสือฝั่งบางกอกมีโรงเรียนสวนกุหลาบตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาข้าตั้งใจจะให้ไอ้หนุ่มมันไปเรียนที่นั่น ถ้าเช่นนั้นก็ช่วยฝากเอโก้ของข้าอีกคนเด็กมันจะได้ไม่ทิ้งกันในลานพูดในใจเขาต้องการแข่งวาสนากับครอบครัวหนุ่มเจริญเมื่อพ่อกับพ่อแข่งกันไม่ได้ก็ต้องให้ลูกกับลูกแข่งกันข้าว่าให้ลุงพี่ท่านจัดการไม่ดีหรือเพราะเมื่อพาไปฝากท่านแล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่ของข้านอกเสียจากว่าท่านจะมอบหมายมาให้ ข้าไม่อยากไปก้าวไายหน้าที่ของท่านคนรอบข้อพูดจริงของแกข้าก็ลืมไปเอาเป็นว่าถ้าหลวงพี่ท่านมอบหมายแกก็ช่วยจัดการด้วยก็แล้วกันนึกว่าช่วยสงเคราะห์คนยากคนจนนี่ทำไมตตะเรื่องเงินข้าคงจะเดินทางไปกับแกด้วยข่าเรือก็แพงเหลือเกินทั้งไปทั้งกลับก็ปาเข้าไปสองบาทแล้วหนจะค่ารถกับค่ากินอีก ข้าวของที่นั่นก็แพงกว่าบ้านเรานะอะไรๆก็ต้องซื้อเขาทุกอย่างบ้านเรายังเก็บผักข้างรั้วหาปลาในหนองมากินได้ข้าชอบอยู่บ้านนอกก็ด้วยเหตุผลนี่แหละคนตรหนีที่เหนียวว่า <ś led> ก่อนเรือแดงออกสักย0สบนาทีพวกสาวๆก็มาถึงท่าเรือพวกหล่อนมีขนมและของกินติดไม้ติดมือมาฝากหนุ่มน้อยทั้งสอง ซึ่งจะเดินทางไปเรียนหนังสือที่บางกอกนอกจากนี้ยังได้รายเงินกันคนละห้าสตางค์สิบสตางค์ใส่ในถ้ยใบเล็กมาส่งให้คนละใบนางสาวมะลิเป็นคนส่งให้หนุ่มเจริญส่วนนางสาวม้วยส่งให้หนุ่มกันเชียงขอให้ทิดก็โชคดีนะจ๊ะนางสาวม้วยให้พรศบตากับหนุ่มกันเชียงแล้วหล่อนก็ต้องตกใจ เมื่อเห็นหน้าเขาดำคล้ำผิดปกติหล่อนคิดว่าคงจะตาฝาดไปจึงกระพริบตาทีๆสามสี่ครั้งแล้วเพ่งมองใหม่คราวนี้ใบหน้าของชายหนุ่มกลับมืดคล้ำลงไปกว่าเดิมขอบใจมากนะม่วยกะหวังว่าจะได้กลับมาพบกับเอ็งอีกถึงตอนนั้นเอ็งอาจจะออกเรือนแล้วแต่ข้าก็คิดว่าอย่างน้อยเราก็เคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เสียงนั้นฟังดูเศร้าส้อยจนหล่อนอยากจะร้องไห้อย่าคิดไปไกลถึงปานนั้นเลยจะ้ะข้าคิดแต่ว่าขอให้ทิดกลับมาบางม่วงหมู่อีกพร้อมกับความสําเร็จและข้าจะสวดมนต์อ้อนวอนคุณพระคุณเจ้าให้วันนั้นมาถึงเร็วๆสาวน้อยพูดทั้งที่ใจนั้นคิดว่าเขาคงไม่มีโอกาสกลับมาณนะที่แห่งนี้อีกอะไรบางอย่างบอกหล่อนเช่นนั้น แล้วถ้าการเรียนสำเร็จกลับมาเตยเองจะยอมให้ข้าเป็นลูกเขยหรือเปล่าหนุ่มน้อยฝันถึงอนาคตนางสาวมุวยรู้สึกร้อนที่ใบหน้าตอบอ้อมแอมว่าทิดก็ลองไปพูดกับตเตยเอาเองเรื่องนี้ข้าไม่ขอออกความเห็นเมื่อลูกชายคุยกับเพื่อนหญิงค่อนข้างนานนางบัวไข่จึงเดินเข้ามาหาคุยอะไรกัน เรือจวนออกแล้วแม่ว่าเตรียมขึ้นไปหาที่นั่งได้แล้วหล่อนบอกลูกชายนึกไม่พอใจเด็กสาวที่มาแย่งเวลาที่ควรจะเป็นของหล่อนกับลูกเท่านั้นเดี๋ยวลุงพองแกก็จัดการเรื่องที่นั่งให้เองข้าขอคุยกับเพื่อนหน่อยอีกนานกว่าจะได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกหนุ่มน้อยบอกมารดานานแค่ไหนก็ขอให้ได้กลับก็แล้วกันข้าหวนใจว่า ที่จะไปตายเสียที่บางกอกเท่านั้นนางสาวมุวยนึกในใจเมื่อลูกชายยกมือไหว้ลานางบัวขาว ก, ก็โอบกอดพลางร้องไห้อย่างไม่ไอายใคร่เห็นมารดาร้องไห้หนุ่มกันเชียงพลอยน้ําตาซึมไปด้วยเขารู้สึกอ้างว้างปล่าเปลี่ยวอะไรอวรนตาบลบางม่วงหมู่ยิ่งนักความรู้สึกคล้ายกับว่าจะไม่ได้กลับมายัางที่แห่งนี้อีก เวลาบายสองโมงตรงเรือแดงก็เปิดบูดเสียงดังก้องไปทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นจึงค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากท่ า, าพาผู้โดยสารห0กว่าชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคือเมืองบางกอกหนุ่มกันเชียงกับหนุ่มเจริญยืนโบกมืออำลาเพื่อนเอนมื่อเรือแล่นเลยมาไกลจนมองไม่เห็นพวกเขาแล้ว จึงพากันกลับมานั่งในเรือหนุ่มเจริญส่งท่ายให้เพื่อนขะมอบให้เองของข้ามีมากพอแล้วยายให้มาหลายสิบชั่งแต่พวกวิ่นเพื่อนเขาตั้งใจให้เองนี่นะเก็บไว้เถอะข้าก็ได้เช่นเดียวกันกับเองนั่นแหละเขาให้มาคนลระบายหนุ่มกันเชียงพูดอย่างเกรงใจรับไปเถอนน่ะเอาไว้ใช้ยามจําเป็นอย่าลืมว่าเองต้องมาอยู่วัดนะ ส่วนข้าไปอยู่กับคุณปู่แล้วก็มีญาติพี่น้องอีกมากมายพวกเขาคงไม่ให้ข้าตกรกรรมลำบากหรอกคนชื่อกันเทียงจึงต้องรับท้ยใบนั้นมาใส่กระเป๋ากางเกงด้วยความซาบซึ้งใจขอบใจเองมากนะแกลเราจะไม่ทอดทิ้งกันมีสุขมีทุกข์อะไรก็จะช่วยเหลือกันถึงข้าจะจนเงินแต่ก็ไม่จนใจ เรื่องรวยเรื่องจนอย่าเอามาพูดกับข้าคนอย่างไอ้แกละลองได้คบใครแล้วก็ไม่สนใจเรื่องยากดีมีจนที่สำคัญคือข้าไม่เคยทิ้งเพื่อนเมื่อกินด้วยกันได้ก็ต้องตายด้วยกันได้จริงไหมจริงสิเพื่อนเพราะอย่างนี้ข้าถึงรักน้าใจเองนักตั้งแต่คบกันมาข้ายังไม่เคยเห็นเองพูดไม่จริงกับข้าเลยสักครั้งแต่กับคนอื่น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 บนเรือไม่มีซ้ม่มเสด้วยพูดอย่างกังวลจะยากอะไรโนนเดินไปที่ท้ายเรือโนนข้าเห็นมีกระบุงโกยอยู่ใบหนึ่งเองจะให้ข้าขี่ใส่กระบุงโกยใบนั้นหรือข้าทำไม่ได้หรอกหนุ่มกันเชียงรีบปฏิเสธใครบอกเองเล่ายัางง่ไปหน่อยเลยนะเพื่อนเองนี่สงสัยไม่เคยโดยสารเรือถึงได้ไม่รู้ว่า เขาเอากระบุงโกยไว้ทำอะไรแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรละ่ะก็เอาไว้ครอบหัวน่ะสิเอากระบุงโกยครอบหัวแล้วนั่งขี้ตรงท้ายเรือนั่นแหละใครๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นไม่เอาหรอกข้ากลคนเห็นตูดค่าเห็นตูดดีกว่าเห็นหน้านะเว้ยใครเขาจะจำตูดเองได้แต่ถ้าหน้าเขาจำได้แน่เองเลือกเอาก็แล้วกันว่าจะยอมขายหน้าหรือขายตูด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 ถึงนิดตรัสสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์ปวดหนักปวดเบาก็เกิดทุกข์เกิดแกเจ็บตายก็ทุกข์อย่างนั้นหนุ่มอีกคนไม่เคยฟังเรื่องอย่างนี้จึงถามขึ้นว่าเองรู้จักกับพระพุทธเจ้าด้วยหรือก็ไม่รู้เท่าไรหรอกแต่ยายคงจะรู้เพราะเห็นพูดถึงอยู่บ่อยๆข้าเลยจำเอามาพูดอ้าวเองไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกหรือ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 ข้าก็ทําอะไรเองไม่ได้จริงไหมหนุ่มกันเทียงว่าเองก็เหมือนกันตอนข้าชวนหนีโรงเรียนถ้าเองไม่หนีข้าก็ทําอะไรเองไม่ได้สรุปแล้วมันก็พอๆกันนั่นแหละไม่มีใครดีกว่าใครจริงว่ะแล้วเราจะมาทะเลาะ ก, กันไปทําไมเข้าไปนั่งกันเถอะข้าชักเวียนหัวแล้วสิเกิดเมาส์เรือกจะทํายังไงกันเนี่ไม่เป็นไร ยายคาดตรีมมะขามเปียกกับเกลือมาให้แล้วยายว่าเอาไว้กินตอนเมาเรือหนุ่มน้อยทั้งสองพา ก, กันเดินไปนั่งอย่างที่ของตนก่ขอการนั่งริมเถอะจนจะอ้วกอยู่แล้วเมื่อได้นั่งหนุ่มกันเชียงก็ยื่นหน้าออกไปโก่งคออาเจียนอกอกลงแม่น้ำหนุ่มจเจริญออกตกใจรีบรูบหลังให้เพื่อนเป็นการใหญ่ทิดพองซึ่งนั่งอยู่ตอนริมอีกด้านหนึ่ง มองไม่เห็นเข้าจึงลุกขึ้นเดินมาหาเหมาเรือหรืออาเจียนใหญ่เลยครับพ่อเมื่อกี้ผมก็พาไปถ่ายทุกตรงท้ายเรือมาแล้วหนุ่มน้อยบอกบิดารู้สึกกังวลกับอาการป่วยไข้ของเพื่อนยุงละสิแล้วจะทำยังไงดียูกยาพ่อก็ม่ไ้ตรีมมาซะด้วยบิดาหนุ่มเจริญรู้สึกกังวลยายตรีมมาขามเปียกกับเกลือมาให้ครับ บอกว่าเอาไว้กินตอนเมาเรือแต่สงสัยจะติดไปกับฉลอมที่ให้เจ้าจุกหรือไม่ก็ที่ให้น้าบัวไข่เขาเพิ่งนึกออกด้วยว่าบิดาได้ยกฉลอมที่บรรจุของกินให้หนุ่มจำรัดและนางบัวไข่ไปคนละสองฉลอมไม่เป็นไรหรอกลูกถึงยังไงก็กินไม่ได้เพราะมะขามเปียกจะทำให้ท้องเสียหนักเข้าไปอีกประเดี๋ยวด้นอนสักพักคงหายไอ้หนู ลมเรออ้าวยายมียาดมมาด้วยหญิงสูงอายุที่นั่งติดกับเขาพูดพลางส่งถ้ายาดมให้ของฉันมียาหม่องหญิงสาวที่นั่งถัดจากหญิงสูงอายุส่งยาหม่องให้หนุ่มเจริญรับมาพร้อมกล่าวคำขอบคุณแล้วจึงจัดการเยียวยาเพื่อนพักใหญ่ๆ ห, หนุ่มกันเชียงก็หลับในท่า น, นอนหนุนตักหนุ่มเจริญ เรือล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเปิดบูดเป็นครั้งคราวเมื่อจวนจะถึงท่าหนุ่มจเจริญมองเพื่อนที่ซบหลับอยู่บนตักอย่างนึกเวทนาเพราะหนุ่มผู้นี้เคยสมบุกสมบันมากับเขาด้วยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อถูกออกจากโรงเรียนก็ออกด้วยกันเขาย้ายโรงเรียนมาถึงแดโรงเรียนเจ้าหมอนี่ก็ติดสอยห้อยตามมาด้วยทุกครั้ง ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขาจะไม่ยอมทอดทิ้งเพื่อนผู้ซื่อสัตย์คนนี้ฟังจากเสียงคนในเรือคุยกันหนุ่มน้อยก็รู้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนเมืองสิงบ้างก็มาจากเมืองสองแขวบ้างมาจากพิจิตรและบ้างก็มาจากปากน้ําโพคงไม่มีคนเมืองสิงอยู่ในเรือลํานี้ นอกจากเขาบิดาและเจ้าโกแต่ถึงจะมีเขาก็คงไม่รู้จักด้วยว่าคนเมืองสิงมีมากมายโดยเฉพาะคนต่างด้าวที่อพยพมาจากจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นเขตทหารหนุ่มน้อยมองออกไปนอกลำเรือเห็นคุ้งน้ำไกลสุดสายตาสองฝากฝั่งมีบ้านเรือนปลูกเรียงรายไม่หนาแน่นนะบางที่ก็ไม่มีหมู่บ้าน เรือแล่นไปตั้งนานสองนานจึงจะพบหมู่บ้านสักแห่งหนึ่งผู้คนในเรือเริ่มหลับเพราะความง่วงหันไปมองบิดาก็เห็นนั่งส ป, ปงกอยู่บ้างก็นอนคอพับเอ็งไปทางคนที่นั่งข้างๆบ้างก็หลับน้ำ ล, ลายไหลยืดเห็นคนอื่นๆพากันหลับตัวเขาจึงนั่งมองแมกไม้สองข้างทางอย่างเพลิดเพลิน วันรอนอ่อนแสงลงหนุ่มน้อยเริ่มง่วงครั้นเมื่อนึกไปถึงยายกลับทำให้หลับไม่ลงปาาชนียายจะเป็นอย่างไรหนอนางจำแรงพี่สาวเขาจะดูแลายายดีเท่ากับที่เขาดูแลหรือไม่ตั้งแต่จำความได้กระทั่งอายุย่างเข้าสิเจปีนี้เขายังไม่เคยจากยายไปไกลๆเพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่เขาทั้งจากไกลและไปนานนานจนไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาหายายอีกยายจ๋าผมจะกลับมายายอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับหนุ่มน้อยคร่ำครวญในใจน้ำตาไหลาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัว